ทุกคนทุกท่านจงเจริญสติสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสของลมหายใจของเราให้ต่อเนื่องให้ชัดเจนนั่งจมสบายวางกายให้สบายแล้วก็วางใจให้สบายหยุดความนึกคิดปรุงแต่งต่างๆที่เกิดจากใจเกิดจากอาการของขันห้าด้วยการสูดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆทักสองสามเที่ยว อย่าไปบังคับลมหายใจให้หายใจธรรมชาติที่สุดตั้งแต่ตื่นขึ้นเราได้สร้างความรู้ตัวแล้วหรือยังสร้างความรู้สึกรับรู้เวลาลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจออกหายใจเข้าจนเป็นธรรมดาจนเป็นธรรมชาติในการดูในการรู้ความรู้สึกรับรู้นี่เขาเรียกว่าสติรู้กาย แต่ความรู้ตัวรู้กายให้ต่อเนื่องตรงนี้สำคัญส่วนมากก็อาจจะรู้ได้เป็นบางช่ว ง, บา ง, างบางครั้งบางคราวเพราะว่าความเคยจินหายใจตั้งแต่เกิดหายใจถ้าไม่หายใจนี่ก็ไปไปในสี่นาทีหนาทีอย่างมากที่สุดก็ไปแต่คนเราส่วนมากก็ไม่ค่อยจะสนใจในการสังเกตในการวิเคราะห์ก็เลย ไม่ได้ทรัพย์อันใหญ่คือความบริสุทธิ์ของใจเราก็ต้องพยายามสร้างความรู้ตัวขึ้นมาให้ต่อเนื่องให้เข้มแข็ง จนกว่าเอาไปใช้การใช้งานได้จนกว่าจะรู้ลักษณะของใจเวลาใจเกิดใจกอดตัวเป็นอย่างไรเวลาความคิดกอดตัวเป็นอย่างไรทำไมใจกับอาการของใจหรือว่าอาการนความคิดเขารวมกันเป็นสิ่งเดียวแล้วก็ส่งออกไปภายนอกใจของคนเรานี่หลงมาตั้งนานหลงมาตั้งแต่ยังไม่ได้เกิด จนกระทั่งถึงเวลามาเกิดอยู่ในพบของมนุษย์มาสร้างพบมนุษย์ปิดกั้นตัวใจเอาไว้อีกทีหนึ่งขณะที่อยู่ในร่างกายก็ยังไปต่ออีกแล้วก็กลับมาอยู่ในกายใหม่บางทีก็เกิดความโลภเกิดความโกรธเกิดความทะเยอทะยานยะบางทีก็ยินดียินร้ายทุกเรื่อง เราต้องมาเจริญสติลงที่กายรู้ให้เข้าทันอาการของใจรู้ลักษณะควบคุมรู้จักควบคุมรู้จักวิเคาะรู้จักพิ จ, พจรารณาให้เ ห, นหน็นต้นเหตุกังเหตุไปเหตุทึ่มีอยู่ในกายของเราส่วนการสร้างบา ร, รมีส่วนอื่นการทําบุญการให้ทานการละกิเลสการศึกษาคนา้นคว้าตรงนี้มีอยู่มีอยู่ แต่กำลังสติของเราไม่ต่อเนื่องไม่เข้มแข็งมีแต่ปล่อยเลยตามเลยตามอำนาจของกิเลสเห็นทุกคนก็มีกิเลสกันหมดถ้าเรามาฝึกมาเจริญสติให้ต่อเนื่องยิ่งเห็นยุะเห็นเยอะเท่าไหร่เราก็ทำความเข้าใจแล้วก็ค่อยละแม้แต่แต่การเกิดของใจก็ปิดกั้นตัวใจเอาไว้ เรามาดับความเกิดของใจหนุนกาลังสติปัญญาไปทำหน้าที่แทนใจเกิดกิเลสเราก็รู้จักละกิเลสยากิเลสละเอียดทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งมีอยู่ที่กายของเรามีอยู่ที่ใจของเราเราต้องดูรู้ตั้งแต่ต้นเหตุกลางเหตุปลายเหตุขณะที่ยังมีกาลังขณะที่ยังมีลมหายใจอยู่บางคนบางท่านได้ยินได้ฟังแล้วก็ไปทา ความสืบต่อต่อเนื่องเป็นลักษณะอย่างนี้การลักิเลศเป็นอย่างนี้กายวิเวกเป็นอย่างนี้ใจวิเวกเป็นอย่างนี้นี่เจริญสติเข้าไปอบรมใจมันพร่ำสอนใจอยู่ตลอดเวลาถ้าเราสังเกตทันใจคลายออกจากความคิดเราก็ใจก็จะงายขึ้นมาใจงายขึ้นมาก็มีตั้งแต่ความว่างความว่างเราต้องดูลู่เห็น ใจที่ปราศจากกิเลสใจที่ไม่เกิดตามดูขันห้าเราก็จะเข้าใจในเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาในคำสอนของพระพุทธองค์ตามดูทุกเรื่องทุกเรื่องตั้งแต่เกิดจนกระทั่งหมดลมหายใจน่นแหลมมองเห็นหนทางเดินว่าเราจะได้กลับมาเกิดหรือไม่กลับมาเกิดกัน่ารามีสมมติภายนอกทุกคนก็สร้างกันมาดี แต่การเดินปัญญาละกิเลสก็ต้องมีความเพียรจะไปทำให้กันไม่ได้หรอกนอกจากตัวห้องเรามันพร่ำสอนใจของเราตั้งแต่ตื่นจนกระทั่งเราหลับจนกระทั่งหมดลมหายใจ ค้นคว้าลงไปจนไม่มีอะไรที่จะไปละไปดับมองเห็นหนทางเดินว่าเราจะได้กลับมาเกิดไม่กลับมาเกิดกันแม้แต่กําลังสติเราก็ไปพยายามสร้างให้โตเนื่องให้เชื่อมโยงอะสร้างความรู้ตัวให้โตเนื่องกันนะอ๋อฝากันไปปรปับปอมพอมกันฝากันไปศึกษาคนควา้าให้รู้ทุกกริยาบท